أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا أدوان إلا للظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العليل الع عظيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا ر ج ي م ولك الحمد الر الح بعد الرضا وأشهد ا وأ ن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسل الله بالهدى ودين الحق ليذمر الدين ك ل, ل ه ว่าโลกเหรอหรือคาเฟลล์อาม่าบ้างฟังนะสตรีกาฮาริสคัตาบุลลาวัชรุพัฒน์ดิมุฮามส์รละอาลัย ل สละซาลามะชาร์ลมูรีวัดสะท ل ฮาวัคุลมุฮลิสตบิดอาวัคุลบิดอาตดลาลาสลามุอาลัยุคุมครับพี่น้องที่รักยิ่งครับเราก็กลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงของการอธิบายอัลกุรอาน หลังจากที่เราเสร็จสิ้นจากการพูดคุยในส่วนของไอตุนกุตซีนะครับผมซึ่งก็พี่น้องที่สนใจอาจจะรับชมย้อนหลังก็สามารถรับชมได้นะครับผมตอนนี้ก็ด้วยความเมตตาของพวกเราสุภาพนาเนหัวใจแหละเราก็จะกลับมาพูดคุยกันในส่วนของยุสอัมมะกันต่อนะครับผมเป็อธิบายยุสที่30นะครับซึ่งเราก็เริ่มมาจากเราเราจากใครหลังขึ้นมานะครับผมจากอัติฮะอันนสัสแล้วก็ไล่ขึ้นมาตอนนี้เรามาถึงสุระ วรรฟั well ซูรฟัซึ่งเป็นซูรอที่89นะครับในคัมภีร์อัลกุรอานจากทั้งหมดที่มีอยู่รสซูรเป็นซูรามั ก, กียะนะครับซูรามั ก, กียะก็คือเป็นซูรที่ว่าถูกประทานก่อนที่จะมีการอพยพพี่น้องที่รักิ่งครับในซูรฟัรเนี่ยก็เช่นเดียวกับทุกซูรที่มีในคัมภีร์อัลกุรอานนะครับก็มีเรื่องของการาจากเตือนเป็นคาสั่งเสียเป็นข้อคิด เตือนสติให้กับบรรดาผู้ที่ศรัท ธ, ธาแล้วก็เป็นการเตือนสติให้แก่ผู้ไร้เศษศรัท ธ, ธาสุรฟัเป็นสุรที่มีความลึกซึง้งแล้วก็ละเอียดอ่อนมากแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ว่ามีเกี่ยวข้องกันในระหว่างช่วงอายะเหมือนกับทุกที่ในอัลกุรอานสําหรับพวกเราหลายๆคนนะครับถ้เกิดบางท่านที่ว่าพอจะได้ภาษาอับบ้างบางทีเราอ่านอัลกุรอานเราจะแปลกใจว่าเราจะรู้สึกเหมือนว่าทําไมบางสุรเนี่ยเนื้อหาจะโดดไปโดดมา อันนี้สำหรับคนที่ว่าอาจจะยังไม่ได้ทําความเข้าใจลึกซึ้งพอในส่วนของเรื่องของทับซียบางทีอาจะงงว่าคุยเรื่องนี้อยู่ดีๆอาจทำไมโดดไปตรงนั้นอาจทําไมโดดมาตรงนี้พี่นั้นครับในอัลกุรอานเช่นเดียวกันกับการสร้างของพ่อละทุกสิ่งทุกอย่างกุรอานเนี่ยคือคําพูดของละสิ่งที่พ่อละสร้างทุกอย่างนั้นเหมือนกันเหมือนกันตรงไหนครับพ่อละไม่ทําอะไรอย่างไร้สาระพ่อละไม่สร้างอะไรอย่างไร้สาระแล้วพ่อละก็ไม่พูดอะไรอย่างไร้สาระเพราะฉะนั้น กุรานที่เป็นคําพูดของผู้ลอสุบฮานวัตตาจึงไม่มีอะไรที่ไร้สาระหรืออะไรที่ทําไปโดยที่ไม่มีเหตุผลสุรตุสฟัชก็เช่นเดียวกันครับเป็นสุราที่มีความงดงามมากมากๆแล้วก็เป็นการเตือนสติที่แบบว่างดงามอ่ะพี่น้องซึ่งผมผมผมหวังว่าอาลาวจะให้ผมมีพงใช้ผมมีความสามารถสักพอที่จะอธิบายได้สักเศษเสี้ยวหนึ่งของ ของความงดงามของอัลกุรอานที่โพล้อมีให้ในสุร้อนี้นะครับซึ่งก็ขอรัวจากโพล้อสุบฮานของหัวใจเลาครับเพื่อเราจะได้รู้ในสิ่งที่เราไม่รู้ให้เราเข้าใจในสิ่งที่เราไม่เข้าใจแล้วก็ให้เราได้แก้ไขในสิ่งที่เราผิดพลาดนะครับผมโดยเฉพาะคําพูดของโพล้อคอยเป็นสิ่งที่เป็นแก้ตาดวงใจให้กับหัวใจของพวกเราครับคุณวะรเทิสลามมาจากเจริญกุง57นะครับวะริฟุนสลามาตุลลาห์วะบารักะตุนะครับ พี่น้องที่รักครับสุลตุฟัเมื่อพูดถึงควาว่าอัลฟัหรือว่าลฟันะครับผมอย่างที่พวกเราคุ้นเคยกันดีฟัก็คือเวลายามเช้าตู่หรือว่ารุ่งอรุณใช่ครับเวลาละหมาดก็คือละหมาดสุลตุฟัีหรือบางทีเป็นสลตสก็ได้ทั้งคู่ครับผมถ้าเราดูถึงความหมายของสุลของคำ ว, ว่าอัลฟัชกันฟัชคือรุ่งอรุณรุ่งอรุณคือยามเช้าก็คือแสงสว่างฟัก็คือแสงสว่างสางุตุสฟัพี่น้องดูถ้าเกิดว่า <c oughs> เรานับดูนะครับสุรัตุลฟัสเนี่ยถูกประทานลงมาหลังจากที่พวกลอสซูบาตราประธานสุรัตุเลนอันไลดูถ้าเกิดเราดูตามลำดับสุรัตที่ถูกประทานมาไม่ใช่ลำดับตัวเลขนะไม่ใช่ลาดับตัวเลขสุรัตอันฟัสเนี่ยถูกประทานมาหลังจากสุรัตุเลนอัเลนแปลว่าอะไรครับยามกลางคืนกลางวันมาหลังยามกลางคืนซุปหานอวะแสงสว่างมา หลังจากที่มีความมืดเมื่อมีความไม่รู้พวกล้อก็สอนให้คนรู้เมื่อมีความหลงผิดพวกล้อก็ให้คนนั้นลอดพ้นจากความหลงผิดฟเลเซอร์ฟลัสหรือว่าแสงสว่างก็ถึงถูกใช้ในความหมายถึงความรู้ถึงทางนําถึงสิ่งที่ดีงามต่างๆเหมือนกับทุลักกล่าวถึงพว้อแล้วพวกล้อพูดถึงรัศมีของพวกเหมือนเปรียบเทียบกับรัศมีของพค์ก็เหมือนกับแตเกียงซึ่งก็เป็นอยิยากรานซึ่งถ้ามีโอกาสอยากจะมาคุยเช่นเดียวกันพกเพราะว่าความหมายของเนืาอเช่นเดียวกัน นั่นแหละครับก็คือแสงสว่างนั้นมาภายหลังความมืดถ้าเราดูเรียงลําดับอัลกุรอานพี่น้องเมื่อกี้เราบอกว่าไงนะครับซูรุตุนฟัตเป็นซู ร, ร่าที่89ถ้าเราไปดูซู ร, ร่า88 88ซู ร, ร่าอะไรใค ร, รบ้างครับอัลลอฮียาอัลลอชียาก็คือความมืดที่มาปกคลุมเมื่อมีความมืดมาปกคลุมเมื่อแสงสว่างมาความมืดก็จะหายไปใช่ไหมครับเพราะแสงสว่างนั้นจะขับไล่ความมืดเหมือนกับที่ว่า เมื่อความคิดมาแล้วสัจธรรมได้ปรากฏมาในตอนหลังและปรากฏมาในตอนหลังความคิดก็จะหายไปเหมือนกับพิ้พว่ากล่าวว่าองครับพุนจะอัลฮักวาซฮักัลเบติลอินัลเบติละแกนอัลซูก็จงกล่าวเถิดเมื่อสัจธรรมนั้นได้มาถึงแล้วความคิดทั้งหลายนั้นก็จะ สลายไปแน่นอนความเท็จนั้นเป็นสิ่งที่มันต้องสูญสลายไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีเลยจะอยู่ไปตลอดนอกจากสัจธรรมนกกักจากความยิงงามที่พวกเราทำซึ่งถ้าเกิดเราดูถึงสัจธรรมข้อแท้จริงของแสงสว่างอ่ะพี่น้องอันนี้เรามาคุยชวนคุยเรื่องฟลัชกันถือว่าชวนคุยเปิดก่อนนะครับเพราะสุดวันนี้เราคงต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับผมแสงสว่างเนี่ยสาหรับคนที่ดูตอนเช้าเนี่ยพวกเราจะรู้ว่าอันฟลัเนี่ยแสงสว่างในตอนเช้าจะมีสองแสงใช่ไหมครับแสงโกหกกับแสงจริง อัลฟาจุดได์ ick, กับอัลฟาจุดแกิทเผื่อถ้าเกิดใครที่ไม่ได้นอนหรือว่าติมาต่ฮัตยุธหรือว่ามีโอกาสอยู่ตอนช่วงก่อนที่จะสว่างเนี่ยเราก็จะรู้กันว่าในท้องฟ้าเนี่ยก่อนที่จะมีแสงสว่างเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีสว่างแสงสว่างเกิดขึ้นบริเวณเหนือเส้นขอบเส้น h o r ร z o n เส้นขอบฟ้าอารลับทีเดียวเป็นแสงสว่างปลอม เป็นตอนเช้าปลอมเพราะตอนเช้าจริงจะเกิดขึ้นคือแสงที่มาพร้อมกับดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นแสงสว่างที่อยู่ติดกับผิวดินเลยพี่น้องเครเม้าแกล์ลองดูแสงสว่างจะมาสองช่วงช่วงแรกนี้ก็คือจะเป็นช่วงที่ว่าอยู่บนใกล้ๆท้องฟ้าหน่อยหลังจากนั้นสักพักจะเป็นแสงสว่างที่ออกมาจากดินจริงๆเลยก็คือที่มาพร้อมกับดวงอาทิตย์ซึ่งแสงสว่างที่เรียกว่าแสงสว่างเทียมเนะี่ยมาก่อนแล้วแสงสว่างจริงก็จริงมา เปรียบเทียบเหมือนกับอิสลามนะครับเหมือนกับสายสลา ม, ม่หลังจากที่คนอยู่ใ น, ในยุคจเฮดิยะอยู่หลังจากท่อยู่นี้ยุคที่งงว่าเขายุคที่ไม่รู้อิสลามก็มาสอนให้คนรู้มารยาทที่ไม่มีก็สอนให้มีสิ่งที่ทําไม่เป็นก็สอนให้ทําเป็นแล้วก็เช่นเดียวกันกับอัลกุรอานซึ่งเป็นคําพูดของพู้อัลลอฮ์ที่มีอีกชื่อหนึ่งว่าอัลฟุร์กอรก็คือทําให้คนนั้นสามารถรู้ว่าอะไรถูกแล้วก็อะไรผิดเพราะฉะนั้นสุลตุนาสเนี่ยครับแค่คำว่าฟาสถ้าเราจะมาทํากัน พี่นิพเคาะถ้ามองได้หลายมุมมองมีรายละเอียดที่ว่าเราสามารถจะไปคิดต่อยอดกันเองได้ไปสามารถศึกษากันต่อได้ซูรุตุนฟัตพี่น้องที่รักดินครับถูกกล่าวไว้อย่างไรบ้างในฮะดีสของท่านอับดุลเบีมฮะมัสลลัลฮ่องอะเลสซัลลัมก็ถือว่าเป็นความรู้เสริมล้กันนะครับพี่น้องในพี่เคยมันาไซอีครับผมฮะดีสบทนี้เป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนอินชามวะแล้วก็เป็นฮะดีที่หลายหท่านน่าจะคุ้นเคยกันดีแล้วแหะในพี่เคยมัมนาไซอีนะครับจากอับดุลเบี๋ยมฮะมัสลลัลฮ่องอ أخبرني يحيى بن سعيد ا ن س ل ي م ا ن ع ن محارب بن دسار وأبي صالح أنجابر قال صلى معاص س ل ا م ة فجارة فصلى معه فطول فصلى في ناحية, ناحية المسجد ثم انصرف فبلغ ذلك معاص فقال منافق إلى آخر الحديث ق ا ر ي ا ت مائة جوب نكابم خويا باء لي نكاب. إذا نكاب. سورة فش ا نكاب. ถูกท่านนบีมสุสลิมยกขึ้นมาในเหตุการณ์นึงซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สําคัญซึ่งเป็นบทเรียนให้กับพวกเราทุกคนครั้งหนึ่งครับท่านมูอาซเนะี่ท่านนาละหมาดครั้งหนึ่งท่านมูอาสนําละหมาดนาําลายมัสยิดเนี่ยแหละครับแล้วก็มีม้ามุมแล้วท่านมูอาซก็ละหมาดนานยืนละหมาดนานครับผมมีชายคนนึงมาละหมาดกับท่านมูอาสด้วยแล้วเขาละหมาดไม่ไหว พอเขาละหมาดไม่ไหวอ่ะพี่น้องคือหมาดยีนานไม่รู้มีใครเคยเจอหรือเปล่าคืออ่านานานมากๆเลยยิงซอบ้าคงไม่ต้องพูดถึงความนานความงดงามความสมบูรณ์ที่ท่านเหล่านั้นละหมาดก็อ่านนานมากๆแล้วก็ชายคนที่มาละหมาดด้วยนะ่ะเขาไม่ไหวเขาก็เลยถอนตัวออกมาแล้วมาละหมาดเองจนเสร็จละหมาดเองจนเสร็จคืดทิ้งชะมาอ้อไปแล้วก็มาละหมาดเองโอ้พี่น้องเรื่องใหญ่ไหมครับทิ้งชะมาอ้อนะพี่น้อง ชายคนนี้มาละหมาดเองจนเสร็จแล้วก็เสร็จปุ๊บเสร็จก่อนท่านมูอัซแน่นอนท่านมูอัซยังไม่เสร็จชายคนนี้ละหมาดเสร็จแล้วแล้วก็ไปในทาทุรล่าไรที่เขาอยากจะไปทาต่อข่าวไปถึงหูท่านมุอาซบินช บ, บันครับหนึ่งในปาฏิในบาดัสฮาบะาพอท่านมูอาซได้ยินปุ๊บมูนาฟิกพฤติกรรมอย่างงเป็นพฤติกรรมของมุนาฟิกคนกักกอกนะเพราะว่าอยู่ในเชมาะเชมาะเขาละหมาดอยู่ แล้วละหมาดอยู่ด้ว ย, ยแล้วก็อยู่ก็ทิ้งละหมาดเนี่ยคนที่ทิ้งละหมาดนีก่กอานอย่างที่เรารู้เพาลอกกล่าวถึงในครลกุรอานพูดถึงคนทิ้งละหมาดคือกส่วนใหญ่ก็มนาฟิกก็มูคซและเวลาละหมาดจะละหมาดแบบขี้เกียจละหมาดแบบให้คนเห็นท่านมาสพูดอะไรผิดไหมไม่ผิดท่านมาสไม่ได้พูดอะไรผิดเพราะว่าจากข้อมูลที่ท่านได้มาจากอัลกุรอานพวกเราก็บอกเองว่ามูนาฟิกคนในลักษณะเวลาละหมาดเนี่ยจะละหมาดแบบขี้เกียจ เพราะนั้นเนี่ยละมาดกับอีมามไม่ได้เนี่ยก็แปลว่าเนี่ยมันต้องเป็นมูนาฟิกท่านมัสก็บอกมาอย่างนี้ตามที่ท่านเข้าใจทีนี้ครับเรื่องก็ไปถึงท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซันละบสุบฮานละเรื่องไปถึงท่านนาบีถึงพฤติกรรมของชายคนเนี่ยพี่น้องคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชายคนนี้ครับนบีจเจ้าเขามาฟาดแทะเอามาเขียนในประเทศหรือว่าจะทําอะไรกับชายคนนี้ชายที่ว่าไม่ยอมละหมาดกับจะมาอะ่ะทิ้งจะมาอ่ะแล้วก็ละมาดคนเดียวแล้วก็ ไปทำทุลักตัวเองพี่น้องที่รักที่ท่านนบีทําอันแรกเลยที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลัยซัมทำเป็นอย่างแรกเรียกตัวคนนั้นมาคุยก่อนเรียกเด็กดูมคนนั้นมาคุยก่อนซุบานลละเว้ยนี่คือมารยาทอิสลามครับผมก่อนจะตัดสินต้องไต่สวนก่อนไม่ใช่ยักเยียดข้อหาให้เรียบร้อยที่ฉันคิดแต่มันต้องถูกต้องแล้วมันต้องชั่วมันต้องเร็วมันต้องเป็นโมนาฟิกมันต้องอะไรก็ตามแต่ คุณคุณไหมพี่น้องแอบคุณไหมผมแอบคุณแบบอย่างของท่านนาบีครับได้ข่าวมาแล้ข่าวเชื่อถือได้แน่นอนร้อยเซคือจริงๆไม่ต้องสอบสวนก็ได้เราก็ต้องคิดแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าก็มันชัดเจนเน่ยท่านวาสละหมาดอยู่นี่มาละหมาดทีหลังแล้วก็แยกตัวไปละหมาดเองสลามเองแล้วก็เลิกเองข้อมูลชัดเจนต้องใส่สวนอะไรต้องสอบสวนอะไรอีกหลายคนบ้างเรายิ่งถ้าเกิดคนมักง่ายนะครับผมก็คงแบบตัดสินมันไปเลยมันมันอย่างนี้แล้ว ท่านอับดุลเบี๊ยมัวมัสลลอร์อิสลามครับถูกแต่งตั้งมาเพื่อทําให้เรื่องของตัวตนที่แท้จริงนันนกงามเรื่องมาเรียด น, นักงามท่านอับีเรียกมาสอบสวนก่อนเพราะต้องรู้เหตุผลก่อนต้องฟังความให้ชัดเจนก่อนยนามนะเซฮัดเตือนทุกท่านเลยนะครับผมโดยเาะเตือนผมเองก่อนต้องฟังความให้ชัดเจนก่อนท่านอบีเรียกเด็กหนุ่มคนนั้นมาคุยแล้วก็บอกว่าทํำไมเธอถึงทําอย่างนั้นถามเหตุผลซุบานนะวะถามเหตุผล พฤติกรรมเนะื้รู้เป็นพฤติกรรมโมนาฟิกแหละแต่ท่านอบิถามเหตุผลก่อนเด็กหนุ่มครั้นตอบว่าเฮ้ครับยาระซูละละผมเนะี่ยก็มาละหมาดกับท่านมูอาสนี่แหละแต่ว่าท่านมูอัสนี่ละหมาดยาวมากๆากจนผมเนะี่ยไม่ไหวผมละหมาดไม่ไหวผมก็เลยแยกตัวมาละหมาดของผมเองแล้วผมก็เสร็จธุระผมก็ไปของผมอ่ะละหมาดนานยืนไม่ไหวก็เลยแยกไปละหมาดเอง พี่น้องว่าท่านอบีมูฮัมมัดสลาลฮ์ฮวยสลัมจะตัดสินอย่างไรประเด็นนี้น่าสนใจครับประเด็นนี้น่าสนใจมากท่านอบีมูฮัมหมัดสลาลฮ์ฮวยสลัมไม่ได้ด่าว่าไม่ได้ประนามไม่ได้อะไรชายหนุ่มคนนั้นเลยพี่น้องสุบานอัลลอฮ์ไม่มีสายรายงานไหนที่บอกว่าท่านอบีด่าว่าเด็วคนนี้บอกอย่าไปทําอีกนะนี่เป็นสิ่งที่คุณทําไม่ดีนะคุณเป็นมุนาฟิกนันยไม่มีเลยพี่น้องไม่มีเลยแต่ท่านอบีมูฮัมหมัดสลาลฮ์ฮวยสลัมกลับ มาตําหนิท่านมูอาซถามว่าท่านมูอาซทําอะไรผิดน้าละบาดผิดตรงไหนไม่ผิดท่านลบีตําหนิว่าไงครับอาฟัดแ ต, ตนุญยามูอาซซุบานละล้อพี่น้องท่านลบีถามว่ามูอาซคุณจะเป็นคนที่สร้างฟิตรณะกันนั้นหรือโอแปลกไหมพี่น้อง เพราะถ้าเราฟังเนี่ยมุมมองของเราบางทีเราอาจจะคิดว่าตอนเนี้ยคนสร้างฟิตรนาคือใครเด็กหนุ่มสิทิ้งเจม้มาอะละหมาดคนเดียวถูกไหมครับเด็กหนุ่มต้องสร้างฟิตรนาสินี่คือมุมมองปกติน่าจะมองแบบนี้แต่ท่านอับดุลโมฮัมหมัดสลุลต่ากลับบอกกับท่านมูอสัสว่ามูอัสนี่คุณกําลังจะเป็นคนจอมสร้างฟิตรนากันนั้นเหรอจอมสร้างฟิตรนาเลยนะไม่ใช่สร้างานะฟิตรนาเฉยนะฟัตตานี่คือจอมสร้างฟิตรนาเลย ไหนล่ะทำไมคุณไม่อ่านซับบสมาโรเบลอาลาล่ะทําไมคุณไม่อ่านว่าชมศุภดูฮาฮาล่ะทำไมคุณไม่อ่านว่าฟัเฟชเชอรีล่ะหรือทําไมคุณไม่อ่านวัลไลรีดายักษชาล่ ะ, ละสุบฮานะเหรอพี่น้องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มุสลิมเราต้องทําความเข้าใจให้มากโดยเฉพาะในยุคสังคมนี้ที่ว่าชี้หน้าตัดสินกันง่ายเหลือเกินแต่ตัดสินตัวเองเน่ยยากเหลือเกินคือฉันถูกอย่างเดียวฉันไม่มีทางผิดตัดสินทีฉันผิดนี่แทบเป็นไปไม่ได้เน่ย ฮาดิษนี้เป็นฮาดิษที่ว่าพวกเราต้องมาตรวจสอบตัวเองตรวจสอบตัวเองกันให้มากอีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นครับท่านูอัสนำละหมาดแล้วละหมาดยาวมีคนมาละหมาดด้วยแล้วยาวเกินไปเขาทนไม่ไหวเขาต้องแยกตัวมาละหมาดเองซึ่งพฤติกรรมที่เขาทำเนี่ยน่าจะเป็นพฤติกรรมที่มันใกล้เคียงกับพฤติกรรมของมูนาฟิของคนกลับกรอกแต่เมื่อถึงเวลาเรื่องถึงท่านอบีท่านอบีเรียกเอาคนคนนั้นมาถามเหตุผล คนคนนั้นบอกเหตุผลว่าเพราะละหมาดนานเกินไปแล้วผมไม่ไหวท่านบีไม่ได้ตําหนิคนนั้นเลยคนที่เหมือนจะสร้างฟิตรนะแต่คนที่เหมือนจะปลอดภยัยคนที่เหมือนจะรอดคนที่เหมือนจะถูกท่านบีกลับไปตําหนิเขาแล้วบอกว่าเขาเป็นเหตุผลที่ทําให้เกิดฟิตรนะเพราะเขาละหมาดนานเกินไปจนมะมุมไม่ไหวเมื่อมะมูมไม่ไหวจะให้เขาทำยังไงล่ะมันก็ต้องมีความคิดที่แบบว่าทิ้งละหมาดดีกว่าไหมหรือว่าอะไรดีกว่าไหมหรือว่าไม่ชอบไหมหรือว่า แต่ว่ามันเกิดจะได้เกิดจากละหมาดเกินความพอดีในที่นี้หมายความว่าไงครับอิสลามห้าละหมาดนานหรือไม่ใช่ท่านลบีละหมาดนานที่สุดแล้วอย่างที่เราทราบกันละหมาดตะหัดยุทของท่านลบีบอกว่สาสลอยซมยืนจนเท้าบวมอย่างที่เรารู้บางรักะเนี่ยยืนสองชั่วโมงเอาจริงๆรพี่น้องบางรักะท่านลบียืนอย่างเดียวเนี่ยสองชั่วโมงเพราะท่านลบีอ่านสลบบักราะสองยุสกว่ากว่าอ่านแบบช้าๆพี่น้องลองดูพี่น้องใช้เวลาเท่าไหร่คือ ถ้าละหมาดคนเดียวเนี่ยเต็มที่แต่ถ้าเป็นอิห ม, ม่ามไม่ต้องมาถ้าเจตนาไม่บริสุทธิ์เตือนไว้ก่อนนะไม่ต้องมาโชว์พาว่าเนี่ยฉันท่องได้เยอะเนะีฉัน เ, เสียงเพ้อเนะี่ฉันต้องอ่านเยอะๆคนจะได้มายกย่องนับถือฉันท่านอะับดุลเลาะห์มุสลิม บ, บอกไม่ใช่ใครก็ตามที่เป็นอิห ม, ม่ามเขาต้องคำหนึงถึงคนที่อ่อนแอที่สุดที่อยู่ในจมาร์อาของเขาถ้ามีแม่ที่กําลังอุ้มลูกหรือถ้ามีใครที่อ่อนแอ ก็ต้องเลือกสูรรถให้เหมาะสมกับการนำละหมาดไม่ต้องไปคิดว่าเอาสูรรถสั้นๆเนี่ยแสดงว่าฉันไม่เก่งฉันไม่แน่มุสลิมเราจิตนาทั้งบริสุทธิ์ถ้าเราแคร์ผู้อื่นนิ่ท่านบีเตือนไว้คนที่เป็นอิหมามเนี่ยเวลานำละหมาดเนี่ยก็ดูให้ม้ามุมไหวหรือบางทีถ้าเกิดว่าเราเคลียร์กันเรารู้กันเหมือนกับที่ว่าท่านอบีละหมาดแล้วอ่านบักร้อนเนี่ยซอบ้าไปอ่านตามท่านอบีก็อ่านนานเพราะอะไรครับเพราะนี่คือมาดซุนนะไง ไม่ใช่ละหมาดฟัดดูไม่ใช่วิบาริบแล้วซอบ้าเลือกที่อยากจะมาตามท่านอบีท่านอบีก็ทําตามที่ท่านจะทําไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านนําละหมาดฟัดดูท่านอบีจะคํานึงถึงคนที่อ่อนเอที่สุดที่อยู่ในฉะบ้านั้นนี่คือคําสอนคอยตามที่งดงามไม่ได้ป่าเถื่อนไม่ได้โหดร้ายไม่ใช่ว่าถือเวลาไล่ตัดสินไล่ฮุกมใครเป็นว่าเล่นแบบเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆนะครับผมก็หวังว่าจะได้รับสาระ หวัว่าจะได้รับประโยชน์จากเรื่องราวที่เหล่านี้ประเด็นครับทําไมถึงยกเรื่องราวนี้มาก็อย่างที่บอกก็คือท่านบ น, านบีเสนอท่านนบีเสนอหลังจากที่ดูว่าท่านมูอัสเนี่ยอ่านยาวเกินไปท่านนบีก็บอกเนี่ยก็อ่านอะไรที่สั้นๆหนซั บ, บิสมาร์ทเบลอาแล้วสิะประมาณครึ่งหน้าว่าชัมสูอาดูฮาฮ่าหรือว่าฟัชหรือว่าไรีไรยักษชาเพราะธรรมชาติคนส่วนใหญ่ปุ๊บเนี่ยประมาณครึ่งหน้าหรือเกินกว่าหน้าเนี่ยประมาณเกือบหน้าเนี่ยไหวกันคนส่วนใหญ่ไหว คือถ้าเกิดอ่านไม่ถึงหน้าแล้วแยกออกไปละหมาดแยกเนี่ยโอเคอันนี้น่าคิดล้มุนาฟิกหรือเปล่าเพราะไม่ได้ยาวอะไรเลยสังขารคนทั่วไปเนะี่ยไหวอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดอ่านยาวเกินไปจนกระว่าสังขารคนก็ไม่ไหวเนี่ยอันนี้ต้องพิจารณาอันนี้ต้องพิจารณาท่านอบี๊ยก็แนะนําว่าให้อ่านแบบฟัซซีก็แปลว่าเป็นหนึ่งในสุรทีศท่านอบีแนะนําให้อิหมามอ่านตอนนําละหมาดเพื่อไม่มามุมหนักเกินไปซึ่งสุรทิศก็ไม่ได้ยาวอะไรมากครับประมาณยี่สบอายะอย่างที่พวกเรา หลายท่านคนที่ท่องได้ก็น่าจะง่ายก็น่าจะได้ใช้อยู่นะครับผมคุณตัสนิมอาสลามมาจากมีนบุรีนะครับก็วาริคุณสลามรอพลล้วะบารกะตุ้คนครับผมเราคุยเรื่องของหะดีสละที่มีการพูดถึงสุระอัลฟัทีครับรามาดูในคุราะครับผมณอัลฟัดวลัยลิล์วชัฟอ ล, ลวัวลลิลีดาย์ฮัลฟีดายกะนลิฎีฮิจห้ยะ แบ่งเป็นช่วงเป็น5หอายะ์นะครับพูดคุยกันเป็นช่วงเป็นช่วงแล้วกันนะพี่น้องเนาะวอลฟ์เ well, รขอสาบานด้วยกับยามรุ่งอรุณวัลยาลิอชแล้วขอสาบานด้วยกับค่ำคืนทั้งสิบวัชชัฟอิวัลวัขอสาบานด้วยกับคู่แล้วก็ขี้เดี๋ยวประเด็นเราค่อยคุยกันวัลไลนีอิเดียสขอสาบานด้วยกับยามค่ำคืนที่ค่อยๆเข้ามาฮัลฟีเดลิกาคอสมุลีฮิ ในการสาบานดังกล่าวนี้มีข้อคิดใดๆหรือเปล่าละ่ะสำหรับผู้ที่มีสติปัญญาอันนี้แป่คร่าวๆก่อนนะครับความหมายลึกๆเดี๋ยวเราค่อยๆคุยกันทีละวทีละวักทีละ ว, ละ ว, ละวพี่นักทีรักยิ่งครับสูร้อเนี่ยหลายๆท่านถ้าเกิดอ่านถ้าไม่ได้ศึกษาทับซีดจำมืนเลยขอสาบานยามุกระลุนพอจะเข้าใจได้ ค่ำคืนทั้งสิอาจจะเริ่มมีเครื่องหมายสงสัยแล้วอะไรคือค่ําคืนทั้ง10บเวอร์ชัฟอีเวนเวฟขอสาบานด้วยกับคู่กับขี้อันนี้มืนเลยดีกว่ามีคู่กับมีขี้เวลยาลิตเลเลียดายัสแล้วก็ขอสาบานด้วยกับยามค่ําคืนตอนที่มาอ้าวก็สาบานด้วยกับคืนทั้งสิงไปแล้วแล้วทําไมเป็นคืนที่มาแล้วเกี่ยวอะไรกับตอนเช้าหรือเปล่าแต่พวกล็อกกล่าวไว้ในวรรคที่5ว่าไงครับในการสาบานนี้มีข้อคิดใดให้กับผู้ที่มีสติปัญญาหรือเปล่าล่ะ แต่ว่าพวกเราให้พวกเราศึกษาให้พวกเราไข่ควรแล้วพวกเราจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่องศาบานพี่น้องที่รักยิ่งครับในอัลกราทุกที่ทุกที่ที่มีการสาบานเมื่อพวะลอสุบฮานตราจะสาบานอย่างที่เราทราบครับมนุษย์เนี่ยถ้าจะสาบานอันนี้ทำความเข้าใจเรื่องคาว่าสาบานนิดนึงมนุษย์เวลาเราสาบานถามว่าทำไมเราต้องสาบาน <AM rac ian> เวลาเราจะสาบานก็ต่อเมื่อเราต้องการจะยืนยันความถูกต้องของข้อมูลของเราถูกไหมครับยืนยันความจริงยืนยันความบริสุทธิ์โดยใช้การสาบานซึ่งเราจะยืนยันกับสิ่งที่เราศรทาัทธายึดมั่นสูงสุดถูกไหมครับอย่างมุสซิมสาบานตอน่อหรออย่างเวลาไปศาลเขาก็ใช้แล้วใครก็ตามที่ไปขึ้นศาลเขาใช้สาบานกับสิ่งที่คนคนนั้นเชื่อไม่ใช่สิ่งที่ศาลเชื่อนะสิ่งที่คนค น, นั้นเน่ยเชื่อให้สาบานกับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นการสาบานน่ยใช้ เพื่อเป็นการความยืนยันความถูกต้องของข้อมูลด้วยกับการอ้างชื่อสิ่งที่เขาศรัทธามากที่สุดเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยมุสลิมห้ามสาบานกับผู้หนึ่งผู้ใดนอกจากต้องด้วยกับพ Allah. ู้อัลลอฮ์เท่านั้นคือขอสาบานต่ออัลลอฮ์เลยฉันจะทําขอสาบานด้วยกับผู้ที่เมตตาเลยฉันจะทําคือด้วยกับพู้อัลลอฮ์พระนามใดก็ได้ของพู้อัลลอฮ์หรือคุณนลักษณะใดๆก็ได้ของพู้อัลลอฮ์สุบฮ า, านูต่าละ มุสลิมสาบานได้แค่นี้เพราะถ้าเราสาบานด้วยกับสิ่งอื่นแปลว่าเรายกสิ่งอื่นมาอยู่ระดับเดียวกับผู้ละลัษฐุปาหานหุงวาตาละซึ่งมันเป็นชิริษนี่คือเหตุผลว่าทําไมมุสลิมห้ามสาบานกับสิ่งอื่นนอกจากผู้ละลอสเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดเลยนะครับห้ามเด็ดขาดเลยเพราะการสาบานคือการที่เราประกาศถึงสิ่งที่เราเชื่อมั่นเอามาเป็นสถีพยานว่าที่เราทํานั้นมันคือความถูกต้องมันคือศีลธรรม เพราะนั้นมุสลิมห้ามสาบานกับสิ่งศัดนอกจากอัลลอฮ์เพระนั้นก็ขอเตือนไว้นะครับบางทีมันมาในรูปของเพลงบางทีมาในรูปแบบของเพลงบางทีมาในรูปแบบของกรนบางทีคนไม่ทันรู้ตัวก็ร้องเพลงไปเห็นมันสนุกดีพี่น้องครับวุ <c oughs> ่นวุ่นร้องเพลงเลยไม่คุยกันตอนนี้แต่ถ้าเนื้อเพลงมีในความหมายที่ชีริกแล้วใครก็ตามที่ร้องระวังเขาอาจจะตกศาสนาโดยไม่รู้ตัวว่าเราอาลลัมอาจจะ แต่แน่นอนมันไม่ใช่สิ่งที่มุสลิมเราจะพูดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะครับผมจะเป็นกรจะเป็นอะไรก็ตามถ้าเกิดมีการพูดหรือหรือต่อให้เป็นเกมก็ตามบางทีเกมก็จะมีเรื่องของชนิดเข้ามาไปทํานี้กับจา เ, จเวดอย่างนั้นไปทํานี้กับจเูเวดอย่างนี้จะได้พลังจะได้อะไรก็ตามระวังนะพี่น้องมันเป็นภัยใกล้ตัวที่อยู่ง่ายอะ่ะแล้วก็ทํากันได้ง่ายๆครับผมเมื่อพูดเรื่องการสาบานต่อนั้นเรารู้แล้วทําไมมนุษย์ถึงสาบาน แล้วทีนี้ทําไมพระเจ้าต้องสาบานทําไมพว้ว่าสุบฮานอวตารถึงสาบานเช่นเดียวกันการสาบานของผู้วลาร้อนั้นเพื่อเป็นการให้มนุษย์นั้นได้ยอมรับถึงการมีอยู่ของพระองค์คือการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลซึ่งผู้วลาร้อนนั้นจะสาบานในสิ่งที่มนุษย์นั้นพอจะเข้าใจในสิ่งที่สติปัญญาของมนุษย์นั้นทําความเข้าใจกับมันได้แปลว่าไม่เหมือนกันนะมนุษย์เราสาบานกับผู้ที่สูงส่งที่สุด เพื่อยืนยันความถูกต้องของตัวเองส่วนพระเจ้าพงษ์สูงสุดพงษ์เป็นผู้ที่สูงส่งเพียงองค์เดียวการสาบานของพงค์ก็คือสาบานด้วยกับสิ่งที่คนเห็นในชีวิตประจำวันของเขาสาบานด้วยกับสิ่งที่หากคนที่มีสติปัญญาหน่อยเนี่ยเขาได้คิดจริงๆเนี่ยเขาจะยอมรับเลยว่าต้องมีพระเจ้าต้องมีพระเจ้าเพียงองค์เดียวแล้วพระเจ้าต้องเป็นผู้ที่ยุติธรรมเป็นผู้ที่มีความสามารถทุกอย่างเพราะะฉนั้นในการสาบานของพวงล้อทุก เรื่องเลยจะมีประเด็นให้ผู้ศรัทธานั้นได้ประโยชน์เพราะนั่นเช่นเดียวกับในยักกุรานี้พอเราเริ่มสาบานได้กับอะไรครับว่า well, ขอสาบานด้วยกับยามรุ่งอรุณพี่น้องอย่างที่เกิดมาในตอนแรกยามรุ่งอรุณนี่เยอะเลยพี่น้องถ้าพี่น้องเป็นพ่อขาพี่น้องก็จะมองยามรุ่งอรุณในความหมายหนึ่งตื่นมาทํางานเตรียมอาหารเตรียมขายของได้เวลาเริ่มชีวิตแล้ว หรือถ้าเกิดว่าพี่น้องเป็นนักเรียนยามรุ่งอรุณปุ๊บก็ได้เวลาที่ตั้งเตรียมตัวเรียนหรือถ้าเป็นคนเชี่ยวชาญเรื่องดาราศาสตร์ยามรุ่งอรุณก็จะคิดถึงดวงดาวถึงการแปรผันของฤดูการถึงอะไรก็ตามคนแต่ละคนก็มีมุมมองในเรื่องอัลเฟสที่แตกต่างกันแต่เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายามรุ่งอรุณเนี่ย คือจุดเริ่มต้นของแสงสว่างคือจุดเริ่มต้นของการดำเนินชีวิตของผู้คนตา ม, ตามปกติทั่วไปถ้าชีวิตนี้มีแต่ความสว่างอย่างเดียวจะพักผ่อนกันยังไงถ้าชีวิตนี้มีแต่ความมืดอย่างเดียวจะทํางานกันยังไงแสงสว่างด้วยการมาของมานเนี่ยด้วยกับการที่ค่คอยๆให้ความมืดหายไปเนี่ยความกลัวหายไปความมั่นใจจะมากขึ้นคนบางคนขี้กลัวจะกลัวผีพอคนกลัวผีพอรู้ว่าแค่สว่างไปไองครับไม่กลัวแล้ว แสงสว่างเริ่มมาแล้วเพราะฉะนั้นแสงสว่างถ้าเราคุ้นคิดที่มาของมันมาจากดวงอาทิตย์แล้วมันสะท้อนอยังไงใครเป็นผู้สร้างมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วแสงสว่างเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นกับสิ่งมีชีวิตแทบจะทุกอย่างเลยสิ่งมีชีวิตแทบจะทุกอย่างต้องการแสงสว่างอาจจะมียกเว้นบ้างสิ่งที่อยู่ในถ้าในอะไรที่ว่พวกเราสร้างมาให้มันอยู่ในความมืดตลอดชีวิตของมันอันนั้นก็อีกส่วนหนึ่งอยู่ในทะเลลึกๆอะไรเนี่ย แต่ตามปกติอย่างที่เรารู้โดยเฉพาะมนุษย์เราต้องการแสงแดดพี่น้องจะอยู่ไงจะซักผ้าไงไม่มีแดดพี่น้องคิดดูเครื่องพานะต่างๆจะทําไงถ้าไม่มีแดดถ้าไม่มีความ อ, อ, อบอุ่นประเทศที่หนาวเขาจะอยู่กันยังไงแสงแดดจุดเริ่มต้นของแดดพลอยบอกเนี่ยในสิ่งที่พลอยสาบานเนี่ยมันไม่ได้มีข้อคิดอะไรเหลือกับคู่ที่มีสติปัญญาพเพรายให้เราได้คิด โดยเฉพาะกับม <t> ุสลิมแล้วยิ่งได้ประโยชน์เยอะเลยครับเมื่อพูดถึงอัลฟัตชเราคิดถึงอะไรเราคิดถึงอิบาระเยอะแยะเลยวันฟัตตอนเช้าคืออะไรครับเริ่มการละหมาดวันฟัตตอนเช้าคิดถึงอะไรการอ่านกุรานบทคุรานอัลฟัตช์อินะคุรานอัลฟัตช์การอ่านมัชูดะทุรเลาะกะไว้แล้วก็การอ่านอัลกุรานในตอนฟัชชัการอ่านกุรานตอนฟัชชัทนั้นมาเลย์แกจะมาเป็นสกิบพยานคิดถึงละหมาดคิดถึงการอ่านกุรานคิดถึงการถือสินอดเมื่อเข้าเวลาฟัชชัทก็คือเข้าเวลา ของการอิมซาการอดอาหารแล้วอัลฟาสเกี่ยวพันกับมนุษย์ในหลายหายด้านในการรู้ชีวิตของเขาแล้วก็เกี่ยวพันกับมุสลิมในการทําอิบาดะที่มากมายของเราด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวขอแวะพักทักทายพี่น้องหน่อยนะครับผมออคุณอมีนานครับสละมาวันคุณสละมาตบบรุษวันประกาศทุกคุณสวัยนะครับสละมาเต็มๆจากทุก่งฟุบวันคุณสละมาตบบรุษวบนประกาศทุกคุณฮซาฮัสสละมาก็ ไว้คุณศาลาวรรตุรตล้อมาบรอกรับดูหวังว่าสุขภาพเพร์ไมนะครับของพี่น้องทุกท่านน่าจะแข็งแรงแล้วก็มีความสุขในการทําอามัลอิบาร์ดาเพื่อโพลลัสอุบฮานุวัตตาลานะครับผมท่านใดที่ป่วยไข้ก็นั่นแหละครับมันคือบททดสอบแล้วก็ทุกบททดสอบก็จะมีการตอบแทนนั่นคือสิ่งที่มุสลิมเราทุกคนเชื่อมั่นอยู่แล้วนะครับก็หวังในความเมตตาจากโพลล้อรรครับผมทีนี้เรามาดูประเด็น มาศึกษาคำ ว, ว่าอัลฟัสอีกนิดหน่อยครับผมความว่าฟัตส์ในที่นี้พี่น้องพี่น้องสังเกตดูมีการใช้คำ ว, ว่าอัล well วัลฟสมีอัลิฟรามเข้ามามีอัลิฟรามเข้ามาวัล well ฟัสขอสาบานด้วยกับยาง ร, ร, รุ่นอรุณ น, นี่คือความลึกซึ้งแล้วก็ความงดงามของภาษาอาหรับที่ไม่มีภาษาไหนในโลกนี้อีกแล้วครับที่จะมีเรื่องพวกนี้เข้ามา หมายวามว่าไงครับเมื่อมีการใช้คําว่าออลิฟลามเข้ามาเนี่ยอย่างที่เราเข้าใจปุ๊บมันก็เหมือนภาษาอังกฤษไม่ใช่เหรออาจารย์เป็นการเจาะจงเหมือนการใช้คําว่าเดที่เป็นการเจาะจงเดอะเฮาส์สาบานหลังนั้นอัลฟัสก็แปลว่าขอสาบานด้วยกับยามรุ่งอรุณนั้นพี่น้องที่รักภาษาหลับครับเมื่อมีการเอาออลิฟลามเข้ามาใส่เนะี่ยมีการสื่อได้หลายความหมายนะออลิฟลามอาจจะสื่อถึงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องก็ได้ อาจจะเป็นการจ่าจงแค่เดียวอาจจะเป็นการสื่อถึงทั้งหมดเช่นวันฟัสเนี่ยแปลได้ว่าพวกล้อขอสาบานด้วยกับยามรุ่งอรุณแบบทั้งหมดเลยที่เป็นยามรุ่งอรุณของทุกวันเลยแปลอย่างนี้ก็ได้คือขอสาบานในทุกๆเชา้าซึ่งท่านที่แปลแบบเนี่ยก็แปลเหมือนกับท่านไอเดีท่านเมื่อ บ, บาซึ่งมือใจให้ท่านอีกดีไหมที่แปลว่าทั้งหมดเลยทุกเวลาเชา้าตอนนี้พว ก, กล้อกำลังสาบานกับทุกเวลาเชา้า ในขณะเดียวกันครับมีนักวิชาการอีกไม่ต่ำกว่าเจ็ดท่านที่มองว่าอาริฟรามในที่นี้เป็นอาริฟรามที่เจาะจงนะที่บอกว่ายามเช้านั้นเจาะจงวันเลยแค่วั น, นึ่งในรอบปีอีครั้งหนึ่งครับเวิลฟลัสเนี่ยโพลสาบานด้วยกับยามรุ่งอรุณนักอธิบายเนี่ยชาวซรลับซาฮาบะเนี่ย กลุ่มแรกก็มองว่าพวกรัศสาราเดียกับยามรุ่งอรุณแบบทั้งหมดเลยไม่ได้เจาะจงว่าเป็นรุ่งอรุณของวันไหนเป็นพิเศษแต่ว่ามีนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งมองว่าพวรัศสาลแบบเจาะจงเลยนะแล้วความหมายก็เกี่ยวพันกับอายะที่ตามาด้วยพราอายุทีต่ตามาคืออะไรครับแล้วพวกอขอสาบานเยวกับค่าคืนทั้ง1ิบเพราะนั้นนักวิชาการบางส่วนก็บอกว่าไงครับ อรุ่งอรุณในที่น่คือรุ่งอรุณหลังจากคืนที่1ิบที่ผ่านไปแล้วคือคืนทั้ง1ิแปลว่าอะไ ร, เ ด, เ, ร เ, าาเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันแต่เ น, นชาการบางส่วนบอพุลอสสาบานถึงยามรุ่งอรุณที่มาหลังจากค่ำคืนทั้ง10บคืนทั้ง1ิบแปลว่าอะไรรุ่งอรุณนั่นแหละคือวันที่ว่ามาหลังจากนั้นเสียเด๋ยเราค่อยคุยกันอีกทีหนึ่ง บางคนก็บอกว่ายามรุ่งอรุณที่ผู้รักษาบาลเนี่ยหมายถึงรุ่งอรุณในวันอารอฟะบางคนก็บอกว่าร right? ุ่งอรุณที่ผ exactly um. ู้รักษาบาลคือรุ่งอรุณวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมก็คือวันอาชูรอนะครับวันที่พู้อักษาให้ยูรักผลจากฟาโรวันที่พู้รักษาให้ฟาโร่เสียชีวิตวันที่ผู้รักษาที่ว่ากันว่าพู้รักษาให้ฟาโร่เสียชีวิตในตอนเช้าอัลลอฮ์วะลัมอัลลอฮ์วะลัมนักประสาทบางท่านบอกว่าฟาโร่เสียชีวิตในตอนเช้า ของวันอาชูรอเนี่ยแหละครับก็เกี่ยวพันกับวัรฟัตที่ชัดเจนเลยก็แปลว่าพระรักษาบาลว่าขอสาบานต่อยามเช้าของวันที่สิบอาชูรอซึ่งเป็นวันที่โพลิฟารูจมน้ําต่ก็มีนักสนานัาาการที่แปลแบบนี้อีกนักสนะเขาบอกว่าไงครับมันคือตอนเช้าหลังจากคืนเลยแล้วกันก่อน อ, อย่างที่เราทราบเต้นซ์ลุลมาลาอิเตอร์อูฟีฮะบิอิสเามิคุลามิสลาม พิจารต่มตรัลฟาบางส่วนบอกว่าวัลฟา ท, ที่พลัาสาบาหเนี่ยคืออัลฟา ท, ที่อยู่ในโซลอะควดลเยอรตุนกอตนะครับผมที่พลัสกาวว่าบริกาจะลงมาเพื่อมาพูดคุยเกี่ยวกับกิจการงานทั้งทั้งทั้งปีที่จะเกิดขึ้นความปลอดภยัยความสันติจะเกิดขึ้นในยามค่ามําคืนนั้นจนกระทั่งถึงยามรุ่งอารุณนัก mm hmm. ชาตาิก็บอกรุ่งอารุณ น, นี่แหละที่อยู่หลังจากเลเยอร์ตุนกอตนี่แหละที่พรัสาบาหไงวัลฟา ในวัลฟัซก็เป็นอีกทัศนะหนึ่งก็เป็นอีกทัศนะหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นยามรุ่งเช้าที่ว่ามีความจำเริญ น, นะครับที่ว่ามริกามารวมตัวกันที่ว่ากันนะครับผมบางท่านก็บอกว่าในที่เนี้ยหมายถึงการละหมาดฟัสเชรี่โพลัสาบานด้วยกับการละหมาดฟัสรี่ก็เป็นทัศนของท่านอิกลีมานะครับผมบ้างก็บอกว่าไม่ใช่แปลว่าตอนเช้าอย่างเดียวแต่ฟัสเชอี่หมายถึงตอนกลางวันทั้งหมดเลย ซึ่งถ้าแปลแบบนี้ครับความหมายก็จะสอดคล้องกับเนื้อหาที่ตามมาริสุราะนี้เมื่อคผู้ร้องพูดถึงประชาชาติที่มาก่อนหน้าพวกเราก็จะสอดคล้องกันได้เช่นเดียวกันนี่คือเป็นทัศนะของรัชาการทั้งหมดเมื่อท่านพูดถึงเวลฟัสหรือว่ายามรุ่งอารุนยามรุ่งอารุนซึ่งถามว่าทัศนคไหนถูกต้องที่สุดว่าเราอาลัมอย่างที่พวกเรารู้ครับเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินตัปซีดเนี่ยกับเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินฮะดีษเนี่ย จะไม่เหมือนกันสักทีเดียวแล้วถ้าเป็นเรื่องของการอธิบายอัลกุรอานถ้ามีความเป็นไปได้ว่าจะแปลอย่างนั้นได้โดยที่ไม่ข้านกับตัวบทวนักอถาธิบายก็จะถือว่าแปลได้หมดเลยตามที่ว่ามาเพราะถ้าเราดูนะครับตามทัศนะ ท, ทั้งหมดที่ว่ามาหลักๆเนี่ยเจทัศนะเนี่ยที่บอกว่าอัลฟาสแปว่าอะไรบ้างเนี่ยไม่มีทัศนะไหนที่มันค้านกับ ตัวบทกุรานหรือตัวบทฮะดีสูงไห ม, มครับผมแปลว่าเป็นไปได้ที่จะแปล ไ, ได้หมดเลยคือเป็นไปได้ว่าวัาวนฟัตวอลสาบานเดียกับยามเช้าในทุกๆเชา้าหรือยามเช้าหลังจากคืนที่10หรือยามเช้าหลังอของวันอาชู ร, รอหรือยามเช้าใ ด, ดๆก็าตามที่ว่านักอธิบายได้ทําการอธิบายในที่นี้นะครับเราเอามาจากการอธิบายของซาลฟนะครับผมของบรรดาซาฮาบานนะพี่น้องคือไม่ใช่ว่าคนยุคหลังมาบอกเออถ้าเป็นไปได้เองยันฉันคิดว่าจะเป็นเช้า วันจันทร์ก็ได้เพะวันจันทร์เนี่ยฉันต้องตื่นมาทํางานเนี่ยฉันฉันไม่ชอบมันเลยฉันไม่อะไรเลยเพราะฉะนั้นวันฟ้าต์หมายถึงเช้าวันจันทร์อันนี้ไม่ได้นะครับพี่น้องคือตับซีเนี่ยจะมาอธิบายตามอําเภอใจอย่างนั้นไม่ได้โดยเฉพาะถ้าเรามาเจาะจงว่าอายา t h i หมายถึงอย่างนั้นอายานั้นหมายถึงอย่างนี้ต้องใช้ความเข้าใจของสารต้องใช้ความเข้าใจของสวบาอันนี้ก็ต้องขอเตือนไว้ครับว่า มันจะมีหลายเรื่องครับที่ว่าอารุราะหรือว่าคนที่ชอบใช้ความคิดเนี่ยจะเาความคิดของเขามาใช้กับกุฎาหแล้วบอกว่าเนี่ยอายะนี้หมายถึงอะไรเนั้นอายะนั้นหมายถึงอย่างงี้อย่างถ้าเกิดบางกลุ่มครับยกกุฎาหเพราะว่อกเออเออเออได้ได้หบีดิบเป็นอาดีมดิบเป็นอาดีมที่พวกเรากล่าวว่าถ้วเราได้ไถถอนอิสมาอินด้วยกับการเชื่อที่ยิ่งใหญ่พวกเราก็จะรู้กันดีว่าหมายถึงพวกเราให้ท่านชิบลีเนี่ยเอาแกะมาแทนเป็นการเชื่อที่ยิ่งใหญ่เพราะเป็นต้น ฉบับของการทํากุรบานจากนั้นเป็นต้นมาเป็นการเชื่อที่ยิ่งใหญ่แต่บางกลุ่มครับถ้าเกิดบางกลุ่มที่แบบว่ามีความเชื่อที่หลงผิดเขาก็จะบอกว่าไม่ใช่นะเชื่อที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เชื่อแพ้นะแต่เป็นการเชื่อหลันท่านอบีที่ถูกฆ่าตั้งหากเป็นการตีความที่ไม่มีอ้างอิงมาจากซอบาใดๆเลยก็คือเขาอยากจะสนับสนุนทัศนะตของตัวเองก็ยึดเอากับทัศนะตของตัวเองอันนี้ต้องระวังนะพี่น้องก็ต้องระวังอย่างพระบผม อัลกุรอานเนี่ยบางส่วนเราใช้ความคิดได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดในส่วนที่พวกเราให้เราคุณคิดสิใช้ความคิดสิอันนั้นแหละก็คือเราใช้คุณคิดใช้ความคิดในกรอบของความเป็นไปได้ที่ไม่ข้านกับกุรอานกับฮะลิสแล้วก็อย่าลืมครับคําพูดที่มุสลิมต้องพูดให้ติดปากเป็นประจํานะครับก็คือวะลลัห์ฮูอะลัมพวกเราท่านั้นที่รู้ดีที่สุดพี่น้องผมพูดในซีฮาไว้เลยนะพูดเตือนไว้เลยนะครับถ้าเราไปฟัง บรรยายของอาจารย์ท่านไหนก็ตามที่เราแทบไม่เคยได้ยินเขาว่าวันลอะอวลามเลยเนี่ยเตือนเขาซะเตือนเขาซะเพราะโอกาสที่เขาจะหลงผิดเนี่ยสูงเพราะบรรดาผู้รู้ที่มีความรู้จริงเนี่ยเขาจะกลัวกลัวพูดสิ่งที่ผิดแล้วเขาจะบอกว่าลอฮัวลามเป็นประจำนี่คือแบบอย่างที่สลับทำเพราะนั้นถ้าเกิดเราเจอใครก็ตามต่อให้เขาอ้างว่าเขาเป็นสลับแต่เราแทบไม่เคยเจอเขาใช้คำว่าวันลอฮัวลามเลยพี่น้องต้องระวังคนประเภทนี้พี่น้องต้องระวังผม เตือนไว้ก่อนเลยนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นคนที่จะสร้างพิตนาที่ตามมณาีภายหลังมุส ล, ลิมอะลัมครับพอเราสังู้ผมพูดตามที่มันเป็นแล้วก็ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ตามที่สลับได้สอนเรามากันครับผมวอลฟัตเวลยาลิลอชมื่อพูดถึงคราร์วอลฟัตนะย่างที่บอกก็คือวอลฟัตเนี่ยเกี่ยวข้องกับอามันอิบาระของมุสลิมมากมายแล้วก็ที่สําคัญก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการละหมาดอัลฟัจีมี คุณชาลว์ครับเอ่อสำหรับวันนี้ผมแค่อยากคุยหอมปากขอมคอเพราะว่าเราหยุดคอร์สเอ่อทับซีดไปช่วงหนึ่งนะครับผมพักไปช่วงหนึ่งหลังจากที่จบอายากุรุีวันนี้ก็ยังไม่อยากจะให้หนักเกินไปนะครับถือว่ามาชวนคุยก่อนแล้วกันมาชวนคุยก่อนคุณชาลว์ครับเอ่อวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องความประเสริฐของการละหมาดตอนเช้าเพื่อเป็นการการะตุน้นกระตุ้นตัวผมผู้พูดกระตุ้นพี่น้องผู้ฟังให้เราให้ความสําคัญกับละหมาด ตอนเช้ากันให้มากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้เพื่อตัวของพวกเราอินชาลอ้ In allah, นะครับผมเนี้ยพรุ่งนี้น่าจะได้กลับมาคุยกันครับในส่วนของฟิกมุกรอนแล้วก็ตับสีอินชาลอ้ allah, นะครับน่าจะได้กลับมาคุยกันส่วนเวลาผมขอดูเวลาประมาณนี้แหละครับถ้าใดมีอะไรแลกเปลี่ยนมีข้อคิดเห็นมีข้อแนะนำยินดีมีอะไรจะเตืเอนผมยิ่งยินดีเลยครับผมถ้าดูอก็ยิ่งชอบเลยนะครับผม ขอด้วยจากพ่อลอสสุบฮาห์นหัวตาลาครับในการเริ่มคอสสนี้ของเราเนี่ยที่เราพอจะมาเริ่มเราอยากจะทําการศึกษาคําพูดของพ่อลอสสุบฮาห์นหัวตาลาซึ่งแน่นอนเป็นคําพูดที่งดงามที่สุดไม่มีคําพูดใดทัดเทียมได้แล้วก็ไม่มีคําพูดใดที่จะเป็นสัจจะหรือเป็นจริงยิ่งปกว่าคําพูดของพ่อลอสสุบฮาน์นหัวตาลาอีกแล้วเพราะนั้นขอด้วยจากพ่อลอสสุบฮาห์นหัวตาลาผู้ทรงสูงทรงผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น ขอด้วญาจากพระองค์ครับให้ hey, อัลกุรอานนั้นเป็นถ้าในภาษาราบจะใช้คำว่ารอเบะเป็นฤดูใบไม้ผลิเป็นความงดงามเป็นความอบอุ่นเป็นกำลังใจให้กับหัวใจของเราให้อัลกุรอานนี้เป็นแหล่งจุดกำเนิดอี่มใหให้กับเราให้เป็นความสงบให้กับหัวใจของเราแล้วก็ขอพระลอสซาบาตาได้สอนเราให้เรารู้ในสิ่งที่เราไม่รู้สิ่งไหนที่เราเข้าใจผิด ก็ขอพวลด้วยทำให้เราเข้าใจถูกสิ่งไหนก็ตามที่เรายังทําไม่ได้ก็ขอดโอาจากพวกลดวยให้เราทํามันได้ขอให้เราได้เป็นอะฮุบุกุรอ่านหรือว่าเป็นกลุ่มคนที่รักกุรอ่านเราอาจจะไม่เข้าใจท่องแทแ้เราอาจจะยังอาจจ่านไม่ดีพอแเราอาจจะท่องจำํำได้ไม่มากพอแต่เรารักคําพูดของพวลดวยเช่นเดียวกับที่เรานั้นรักพวกลดุลิขิตอัลลอฮฺแล้วเราก็รักศาสนาที่วงนั้นมอบให้กับเราแล้วเราก็รักศาสนาทูตที่องค์นั้นคัดเลือกมาให้กับเราแล้วเราก็ขอพร จากผู้ล h สุบฮานวรตาร์นั้นให้มีความสันติความปลอดภัยสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นกับท่านอับดุลเลาะหมุสลลัลฮวกะลลัมตลอดจนครอบครัวของท่านตลอดจนมิสหายของท่านแล้วก็ตลอดจนใครก็ตามที่ปฏิบัติตามท่านด้วยดีจนถึงวันเกียมะด้วยเถิดครับอาเมนอะบลกลฮาอัลัลลอฮาลิวลมิมลีมีนามินุลยอักอินัลอัลกัฟูลอฮิมุบฮานลลอฮารมดกะอัฮะดูลลลตะอัสักลุกตูบล ว่ารกาศดค